รางวัลสำหรับผู้ซื่อสัตย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆไกลออกไปมีวินเซนต์อาศัยอยู่วินเซนต์เป็นชายซื่อสัตย์และช่างทาสีฝีมือดีเขาทาสีผนังเรือและบ้านด้วยความซื่อสัตย์และความขยันวินเซนต์ฉันมีรู้ให้นายทาสีมันต้องเสร็จเร็วนี้ไม่งั้นมันจะเป็นสนิมนะตกลงงั้นผมจะเริ่มงานเลยแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่ง ฉันไม่สามารถใจ่ายให้นายได้มากกว่าสองเซนนฉันว่ามันน้อยไปแต่นี่คือเท่าที่ฉันมีถ้ารัวขึ้นสนิมฉันจะต้องจ่ายแพงกว่านี้ผมเข้าใจปัญหาของคุณคุณผู้หญิงการทาสีเป็นหน้าที่ของผมและผมก็ไม่ควรปฏิเสธงานวะินเซนต์เป็นคนยากจนมีบางคืนที่เขาต้องเข้านอนด้วยความหิวโหวยแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยของเงินลูกค้าเขามากมายเขาจะทางานหนัก และพอใจในสิ่งที่เขาได้รับวันหนึ่งมีนักธุรกิจได้มาพักที่หมู่บ้านเขาและครอบครัววางแผนที่จะอยู่ไม่นานนักธุรกิจเขา้าเมือมาด้วยรถม้าที่แพงที่สุดและรถลากหลายๆคันได้ตามเขามามันเต็มไปด้วยอาหารและเสื้อผ้าชาวบ้านยืนมองด้วยความตื่นตะลึงขณะที่รถลากได้ผ่านไปวันถัดมา นักธุรกิจได้เรียกวินเซนต์ขณะที่วินเซนต์เดินเข้าบ้านนักธุรกิจเขาได้พบเพื่อนของเขาทอมสวัสดีวินเซนต์นายมาทำอะไรที่นี่สวัสดีทอมฉันมาที่บ้านนักธุรกิจเขามีงานให้ฉันทาอย่างนั้นเหรองั้นฟังนะเขารวยมากและนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีนายต้องคิดเงินเขามากกว่าที่เคยคิดคนอื่นมันยุติธรรมดีและฉันมั่นใจว่าเขาจ่ายนายได้แน่ ไม่ทอมมันไม่ยุติดทรมฉันไม่สามารถคิดเงินเขามากกว่าที่คิดคนอื่นได้นั่นมันถือว่าเป็นการโกงถ้าเขาชอบงานฉันเขาสามารถจ่ายเพิ่มได้แต่ฉันต้องซื่อสัตย์และบอกราคาที่ถูกต้องกับเขาฉันเป็นเพื่อนนายนะวินเซนต์ฉันเคารพความซื่อสัตย์ของนายนายทำงานหนักมากแต่คนในหมู่บ้านนี้ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายนายนายนะรับคาแนะนาของฉันไปเถอะนะฉันคิดว่า นายควรจะขอทองสักห้าบาทสําหรับงานของนายนะทองห้าบาทเหรอไม่ฉันไม่เคยคิดค่าแรงใครด้วยราคาทองห้าบาทฉันเข้าใจความหวังดีของนายเพื่อนและฉันขอบคุณมากที่นายเป็นห่วงฉันแต่ว่าฉันพอใจกับค่าจ้างที่ฉันได้รับงั้นเหรอฉันจะทําหน้าที่ของฉันที่เหลือก็แล้วแต่นายวินเซนต์โบกมือลาเพื่อนของเขาและเดินต่อไป เขาเข้าใจทอมว่าทอมต้องการให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้ววินเซนท์เดินเข้าประตูมาที่บ้านของนักธุรกิจเขาตกตะลึงมากเพราะมันคือปราสาทหลังใหญ่โอ้สวัสดีนายคือวินเซนต์ช่างทาสีใช่ไหมใช่ครับคุณมีงานให้ผมทำอย่างนั้นเหรอโอ้ใช่คนดูแลเรือของฉันไม่อยู่ เขาจะกลับมาพรุ่งนี้บ่ายฉันต้องการทาสีเรือนายทำให้เสร็จคืนนี้เลยจะได้ไหมได้ครับผมทำได้เรืออยู่ที่ไหนครับผมจะเริ่มงานเลยโอ้นายยังไม่บอกค่าจ้างของนายเลยผมคิดค่าจ้างสำหรับเรือสี่เซนครับผมคิดน้อยไปกว่านี้ไม่ได้โอ้โอสี่เซนงั้นเหรอแค่นั้นเอง งั้นฉันจะไม่จ่ายน้อยไปกว่าที่นายคิดหรอกนะนายเอาค่าจ้างสีเซนไปได้เลยเรืออยู่ใกล้กับแม่น้ำเรียกฉันเมื่อทำเสร็จวินเซนต์รับเงินเขาไปที่ตลาดทันทีเพื่อที่จะซื้อสีและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเขากลับมาที่แม่น้ำและเขากำลังจะเริ่มทาสีแต่ว่าทันใดนั้น เขาเห็นรูอยู่ที่ตรงกลางเรือโอ้นั่นมันอันตรายมากฉันต้องซ่อมมันก่อนวินเซนต์ได้ซ่อมรูตรงกลางเรือและทาสีเขาทำงานเป็นชั่วโมงโดยไม่กินข้าวในที่สุดเรือก็เสร็จแล้วเขาก็ไปเรียกนักธุรกิจเพื่อมาดูเรือโอ้เยี่ยมมากนายทำงานได้ดีวินเซนต์นี่เอาไปอีกสี่เซน นายสมควรได้รับมันถ้าฉันมีอะไรที่ต้องท้าซีอีกฉันจะเรียกนายเออคุณเป็นคนใจกว้างนะครับคือผมต้องไปแล้วเช้าวันถัดมาครอบครัวของนักธุรกิจออกไปล่องเรือนักธุรกิจโบกมือลาที่แม่น้ําและกลับมาที่บ้านของเขาเมื่อเขาถึงบ้านเขาเห็นคนดูแลเรือได้เดินเข้ามาหาเขาท่าน ท่านมาถึงที่นี่เร็วกว่าอาทิตย์หนึ่งโอ้ใช่ครอบครัวชันอยากมาที่หมู่บ้านนี้พวกเขาเพิ่งล่องเรือออกไปครั้งแรกอะไรนะครับไม่นะพวกเราต้องเรียกเขากลับมาเดี๋ยวนี้ทาไมนายถึงเป็นห่วงนักฉันเรียกคนพายเรือที่ดีที่สุดมาพาพวกเขาไปเที่ยวรอบหมู่บ้านทุกอย่างจะไม่เป็นไรท่านไม่เข้าใจเรือมันมีรูอยู่ตรงกลางครอบครัวของท่านจะจม ผมว่าผมจะซ่อมเรือวันนี้อะไรนะไม่พรรยาฉันลูกฉันนักธุรกิจและคนดูแลเรือเรียบวิ่งไปที่แม่น้ำแต่พวกเขาก็มองไม่เห็นเรือแล้วพวกเขาตามหาเป็นช่วมโมเจมลิลลี่คุณผู้หญิงได้ยินเราไหมแต่ก็ไม่มีใครตอบนักธุรกิจนั่งลงและร้องไห้อ่อ ฉันทำอะไรลงไปฉันไม่น่าให้พวกเขาหลงเรือเลยขณะที่เขานั่งและโทษตัวเองอยู่นั้นภรรยาและลูกของเขาก็กลับมาพร้อมกับเรือลำเดิมเกิดอะไรขึ้นที่รักทำไมก็ถึงร้องไห้ทุกคนปลอดภัย โอ้ฉันเป็นห่วงทุกคนมากมีรูอยู่ตรงกลางเรือฉันคิดว่าฉันเสียทุกคนไปแล้วมันไม่มีรูตรงกลางครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีผมดีใจที่ทุกคนปลอดภัยแต่ผมไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยังไงผมรู้ว่ามันมีรูอยู่ตรงกลางเรือและผมยังไม่ได้ซ่อมมันก่อนที่ผมจะไปแล้วใครใครกันที่เป็นคนซ่อมมันนักธุรกิจเริ่มคิดสักพัก เขาเข้าใจทุกอย่างและเขาเรียกวินเซนต์ช่างทาสีมาวินเซนต์มาที่บ้านของนักธุรกิจวินเซนต์รับนี่ไปเพื่อนเออนี่นี่อะไรครับนี่คือรางวัลของนายทองหนึ่งแทง่งรางวัลเ อ, อสําหรับอะไรครับรางวัลความซื่อสัตย์และทํางานหนักนายช่วยชีวิตครอบครัวชานวินเซนต์ นายซ่อมเรือนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนายและนายก็ไม่ได้คิดค่าแรงเพิ่แต่ว่าท่านทองร้อยแท่งมันมากเกินไปสำหรับการซ่อมรูเล็กๆนั้นทองร้อยแท่งไม่สามารถเทียบได้กับชีวิตที่นายช่วยวินเซนต์รับไปเถอะวินเซนต์ไม่อยากจะเชื่อในความศรัทธาของเขา เมื <Me an> ่อวานเขายังเป็นช่างทาสีที่ได้รับค่าแรงเพียงพอแค่ที่จะอยู่รอดแต่ว่าวันนี้เขาได้รับทองจากวันนั้นวินเซนต์ไม่เคยนอนหลับอย่างหิวโหยอีกต่อไปเขาได้รับรางวัลสำหรับความซื่อสัตย์ของเขาจบบริบูรณ์